เนี่ยนะล้วนไม่ชอบความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงพยายามหลีกเลี่ยงหรือหนีห่างความทุกข์อย่างเช่นตรงไหนที่อันตรายอาจจะเป็นหน้าผาขอบเหวหรือว่าป่ารกมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอ ก็พยายามหนีห่างไม่คล้องแวะหรือถ้าเป็นในเมืองตรงไหนที่มันเป็นทางเกลียวก็พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อได้ไม่โดนจี้โดนปล้นหรือโดนวิชาชีพทำร้ายถ้าอยู่บ้านก็ปิดประตูลงกรอนแน่นหนาสร้าง กำแพงหรือรอบขอบชิดให้แข็งแรงบางทีทำเท่านี้ไม่พอนะก็อาจจะทำบุญสวดมนต์ด้วยเพื่อขอให้บุญกุศลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดเป่าความทุกข์ ปุปัฏฐนันตรายให้ห่างไกลหรือว่าไม่บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่็คือสิ่งที่หลายคนทำแต่บายครั้งเนี่ยทั้งที่เราพยายามหลีกหนีความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้นะที่จะไปหาทุกข์มาใส่ตัว อาจจะโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเพียงพออย่างเช่นคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เงี้ยเล่นยาพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวนะเพราะว่าสิ่งที่เสพนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกาย ต่อติดใจก็ต่อชีวิตด้วยลวมทังการประพฤติผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็ถ่าว่าเป็นการเชื้อเชิญให้เรื่องเดือดร้อนนะหรือความทุกข์เนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเรา นีถ้าดูดีๆก็เห็นในชัดเลยนะมันคือการหาทุกมาใส่ตัวยังไม่รวมถึงพวกที่ชอบไปชอบยกพวกไปตีกันหรือว่าแข่งรถสิ่งเพราะว่ามันเป็นการเชื้อเชิญอุบัติเหตุ หรือว่าอันตรายต่อร่างกายหรือแม้แต่ต่อชีวิตนี่ให้เกิดกับตนได้แต่ถึงแม่หลายคนเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ว่ารักษาศีลมีธรรมไม่ข้องแว้กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างที่ว่า แต่บอยครั้งนะแม่จะไม่ได้หาทุก์มาใส่ตัวแต่ไปหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ใจของตัวก็ได้ชอบไปคว้าเอาเหตุการณ์เรื่องราวที่ไม่น่าอธิรมมาใส่ใจของตัวซึ่งมันก็น่าแปลกนะเพราะว่าถ้าเทียบกับคนที่ กินเล้าสูบุรีหรือว่าแข่งรถซิ่งแม้กระทั่งคนที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็มีความสุขมาล่อนะเป็นความสุขแบบหยาบยาบมาล่อเช่นสูบุรีก็ทำให้นะผ่อนคลายกินเล่าก็จะทำให้เกิดความ มันเมาลืมทุกข์หรือว่าเกิดความรู้สึกที่น่าพึงพอใจคนที่ผิดศีลเนี่ยเขาก็อาจจะหวังความสุขชั่วเล่นนะเช่นคดโกงทุจริตนะมันก็มีเงินนะมันก็มีรางวัลเนี่ยเป็นเครื่องล่อ อาจเรกได้ว่าปรารถนาความสุขชั่วแล่นแต่ว่ามีความทุกข์เป็นผลตามมาแต่การที่คนเราเนี่ยไปคว้าเอาความทุกข์หรือเรื่องไร้เรื่องเลวร้ายเนี่ยมาใส่ใจตัวเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยนะตั้งแต่เริ่มเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะเห็น วัยรุ่นแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะเดินกอดกันบนถนนหรืออาจจะเห็นผู้คนเอาแต่นั่งจ้องโทรศัพท์มือถือบนรถไฟฟ้าเนี่ยไม่พูดไม่คุยกันเลย ไม่สนใจคนแก่ไม่สนใจผู้หญิงท้องไม่ลุกที่ให้ที่นั่งภาพแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ส่วนมันไม่น่าดูแต่ก็ไปตรวจจ้องนะไปใส่ใจใส่ใจแล้วเป็นไงจิตใจก็รุ่มร้อนนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตอนนั้นไปพอเนี่ยเก็บออกมา เก็บเอามาถึงบ้านเอามาบน่นเอามาโวยวายให้ลูกให้หลานฟังจนบางทีลูกหลานก็เบื่อนะทำไมชอบเก็บเอาเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมาจนถึงบ้านถ้าคนที่เก็บเอาเหตุการณ์หรือภาพเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขนะ อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความติดดีก็ได้เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็จดจ่อใส่ใจและคว้าเอามาไว้ไว้ในใจนะอันนี้เรียกว่าคว้าทุกมาใส่ใจนะซึ่งมันก็เป็นนิสัยของคนที่เรียกภาษาชาวบ้านคือชอบยุ่งกับเรื่องราวคนอื่นคนที่ชอบยุ่งกับเรื่องราวคนอื่นเนี่ยก็จะมีความทุกข์ ทั้งที่อยากจะหนีทุกข์แต่ก็ดไม่ได้ที่จะไปคว้าเอาทุกข์มาสมไว้ในใจเวลาไปทำงานเห็นเพื่อนร่วมงานเขาดินทากันก็เป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมา ทำไมพวกเธอมาชอบดินทากันอันนี้อาจจะนึกในใจบางทีเห็นบางคนช่างพูดก็รู้สึกงุนงิดลาคันใจทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยแต่เพียงแค่เห็นแล้วจิตใจมันก็ไปจดจ่อตรงนั้นจดจ่อแล้วก็หมงมุ่นเฝ้าดูพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเฝ้าดูไปจิตใจก็ร้อนรุ่มไปงุหงิดไม่พอใจ บางทีเห็นเขาแต่งตัวหรือว่าใช้สินค้าแบรนด์เนมเนี่ยก็นึกบ่นในใจนะนะไม่รู้จักประหยัดเลยนะมาใช้ของแพงๆทำไมหรือว่ารู้ว่าเขาชอบเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ก็นึกบ่นนึกตันอีกนึกค่อนแคบเข้าในใจ <S <S 1> <S 1> เห็นพฤติกรรมเขาทีลายก็ติดใจก็ มีความหงุดหงิดทั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลยนะแต่ว่าชอบไปคว้าเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมามาทำร้ายจิตใจตัวเองหรือมาเผาลนจิตใจตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าชอบไปคว้าทุกข์นมาใส่ใจของตัวและส่วนใหญ่ก็มักจะ ทำโดยไม่รู้ตัวทั้งๆ ท, ที่บอกว่าไม่ชอบทุกอยากจะหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่แล้วก็ไปคว้าเอาภาพเอาเหตุการณ์เอาการกระทําของคนโน้นคนนี้ทั้งที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเอามาเผาลนจิตใจหรือทิ้นแทงจิตใจตัวเองบางครั้งอาจจะมีบางคนที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับเราเช่นนี้เพื่อนมาบอกว่าเนี่ย คนนั้นคนนี้เนี่ขานินทาเธอนะเขาพูดถึงเธอนะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำก็คือว่าถามว่าเนี่ยเขาว่าฉันว่าอย่างไงเขานินทาฉันว่าอย่างไรที่จริงก็ไม่น่าถามนะเพราะถ้าได้คาตอบถามว่าจะสบายใจมก็จะไม่สบายใจก็จะโกรธก็จ ะ, มะโมโหแล้วทำไมอยากรู้ว่าเขานินทา ฉันว่าอย่างไงเขาพูดถึงฉันว่ายังไงอันนี้ก็เป็นการคว้าเอาเรียกว่าอะไรขยะจากปากของคนอื่นเนี่ยมาใส่ใจมาสนใจของตัวหรือบางทีก็ไปคว้าเอาเศษแก้วเศษตะปูหรือคมมีจากปากของคนอื่นเนี่ยมาเชื้อเชินจิใจตัวเอง ไม่ใช่แต้องไปรู้เลยนะเพราะรู้แล้วเนี่ยทุกเรารู้ไปทําไมแต่มันอยากรู้ไงในความอยากรู้นี่แหละนะที่มันเปลี่ยนเมื่อการที่ไปคว้าเอาขยะหรือว่าเศษแก้วจากปากของคนอื่นเนี่ยมาทําร้ายจิตใจตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ใจของตัวนะแล้วยิ่งมีคนมาต่อว่า ต่อว่าเราตําหนิเราทั้งที่คําต่อว่าเนี่ยนะมันทําให้ใจเป็นทุกข์เมื่อเราได้ยินนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บเอาคําเหล่านั้นเนี่ยมาชิ้นแทงจิตใจของตัวมันน่าเก็บมันน่าคว้ามาทำร้ายจิตใจเราหรือเปล่าในเมื่อมันทําให้จิตใจเราเจ็บทําให้เราปวดหรือว่า เอาไปเป็นทุกข์แล้วไปคว้ามาทำไมวิสัยคนที่รักตัวเองเนี่ยนะก็ยอมจะไม่ไปทาอย่างนั้นใครเขาพูดอะไรจะมาต่อว่าเราถ้าเรารักตัวเองเราก็ไม่คว้าเอาคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมาทิ่มแทงตัวเองอย่างเมื่อวานนีนะ้อาจารย์สุรินน ะ, ะก็ได้พูดถึงหลวงพ่อประสิทธิ์ถามว่าโร ซึ่งเป็นอดีตเจ้าว่าวัฐธรมใหญ่ปริกมีนักเลงท้องถิ่นที่ต้องการยึดภูบที่ดินของวัดหลวงพ่อท่านก็ขวางเอาไว้เขาก็เลยโกรธไม่พอใจหาทางกันแกล้งหรือขับไล่และบางวันเนี่ยบางทีท่านบิณฑบาตก็เดินชนจนกระทั่งบาดหลุดจากมือ มีวันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งนักเลงคนนั้นเห็นโอกาสก็เลยตะโกนด่าว่าท่านถ่อยคํารุนแรงมากหลวพอประสิทธิ์เนี่ยท่านเห็นท่านได้ยินแทนที่ท่านจะเดินผ่านไปท่านก็เดินตรงไปที่ชายคนนั้น แต่ไม่ได้แสดงอาการกลดเกลี้ยวอะไรนะเดินไปถึงก็จับมือขย่ามึงดา่าใครมึงดา่าใครเจ้าหมอในก็ บ, บอกก็ด่ามึงไงนะพูดกับภาพว่านี่เด่ามึงไงมึงพ่อปรสิทธนยิ้มเลยนะอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันพ่อไม่ได้ทุกข์ร้อนเลยนะ เพราะว่าไอ้คำด่าของชายคนนั้นเนี่ยท่านไม่คว้ามามาที่นแทงใจของท่านเพราะท่านเห็นว่าเออเขาด่ามึงนะราะเขาไม่ได้ด่ากูท่านก็เลยไม่ทุกข์ผู้งาคือไม่เอาตัวกูเข้าไปรับคำด่าหรือไม่รับเอาคำด่าของเขานี่มามาทาร้ายจิตใจของตัว อันนี้เป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะคือไม่ไปคว้าทุกข์หรือว่าขยะหรือเศษแก้วคมมีดเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของตัวอันนี้ก็ที่จริงพู้เจ้าก็ทรงบำเพ็ญปร่งเป็นดัน บ, บอย่างนะมีคราวหนึ่งเนี่ยพรอะองค์เสด็จกลับ เศตวันก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเดินตามหลังพระองค์แล้วก็พูดด่าว่าเพราะเขาไม่พอใจที่พระองค์เนี่ยเป็นเหตุให้ลูกศิษย์มิตรสานเขาเนี่ยหันมาสมาทานพระตนไตรและทิ้งความเชื่อะที่เคยรุ่มหลงพวกพ้องของพราหมณ์แล้วก็หายไป ก็ไม่พอใจนะเดินตามด่าพระองค์พระองค์ก็ไม่ตอบโต้อะไรจนรทั่งพอมาถึงเชตวันพระองค์ก็เลยหันมาสนทนาขเขาก็ถามพระพรามเคยมีคนมาเยี่ยมทันทีบ้านบ้างไหมพรามก็บอกมีสิเขาพระเจ้าไม่ใช่คนจิตหม้ไรตอบมีคนมาเยี่ยมเยอะแล้วท่านทาอย่างไรกับอาคนณตุ ก, กัดที่มาเยี่ยม ข้าพเจ้าก็เอาน้ําเอาของขอบเคี้ยวมาต้อนรับสึิพระเจ้าก็เลยถามต่อบพรว่าแล้วถ้าคันตุกะเขาไม่กินน้ําไม่กินของขอบเคี้ยวของท่านของนั่นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้านะสิพระเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยท่านด่าเราผู้ไม่ดา่า เมื่อเราไม่รับคำด่าของท่านคำด่าทั้งหลายก็ยอมตกเป็นของท่านแต่พูดเดียวพราหมณ์คนนั้นก็ได้คิดเลยนะอึ้งไปเลยนะและตอนหลังพรามณ์คนนั้นก็หันมานับถือพระองค์เป็นพร ะ, พระศ า, าสดาเพราะว่าเห็นเลยนะว่าโอ้ครูอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญามาก อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะใครเค้าด่าเราเราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่รับคำด่านั้นนะมาชิ้มแทงใจของเราและสุดท้ายคำด่านั้นก็ตกเป็นของผู้ที่ด่านั่นเองอันนี้แหละคือความหมายการที่เรารักตัวเองเมื่อรักตัวเองก็ไม่ไปคว้าเอาสิ่งเลวร้าย จากภายนอกไม่ว่าจากปากของใครนะเอามาทำร้ายจิตใจของเราเรียกว่าไม่เอาทุกมาทำร้ายใจของตัวอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะไม่ใช่แค่เอาแต่หลีกเลี่ยงความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้ที่จะไปคว้าเอาทุก จากสิ่งรอบตัวจากการกระทาของคนโน้นคนนี้หรือจากปากของคนนั้นคนนี้เนี่ยมาชิมแทงทำร้ายหรือเผาลนจิตใจของเราจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะแม้กระทั่งสิ่ง ที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยหรือในประสบการณ์ของเราเนี่ยในเมื่อมันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะคว้ามันมาหรือไปจดจ่อใส่ใจเพื่อที่จะมาทําร้ายจิตใจของเราคนเราก็มีประสบการณ์ที่แย่ๆในอดีตมากมายฟังความสูญเสียคนรักการถูก คนกันแกล้งต่อว่าด่าทอส่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของเราถ้าเรารู้จักใช้มันมันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้คือเอาแต่ไปนึกถึงมันแล้วก็เอามันมากรีดแทงจิตใจของเราอย่างนี้คือเรียกว่าทาลายตัวเองนะหรือว่าหาทุกมาใส่ใจของเราเหมือนกัน หลายคนเลยที่เดินหน้าที่ชอบไปนึกไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่เลวร้วายในอดีตแล้วก็พลอยเกิดความโศกความเศร้าเพราะสูญเสียคนรักโกรธแค้นที่มีคนมาทำร้ายคดโกงหลอกลวงทรยศหรือรู้สึกผิดนะที่ได้ทำไม่ถูกกับคนที่ตัวเองรักเป็นลูก ผู้ครองหรือบุคาหรือหรือเพื่อนก็ตามทุกครั้งที่เราไปนึกถึงเหตุการเหล่านั้นไปนึกถึงความทรงจำที่เลวร้ยายเหล่านั้นเนี่ยนั่นแหละคือการที่เรากำลังเอาทุกเนี่ยมาทำร้ายจิตใจอันนี้เราไปถึงภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตนี่นะอนาคตที่ยังไม่เกิดยังมาไม่ถึงเราก็สร้างภาพ ไปในทางลบทางร้ายแล้วก็ไปจดจอจดจ้องใส่ใจอยู่กับภาพนั้นความคิดเหล่านั้นมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกเป็นการหาทุกข์มาใส่ใจของตัวแต่คนเรามันก็มักจะเผลอทําอย่างนั้นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสติเพราะาไม่มีความรู้สึกตัวในสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าเรารู้จักใช้นะอ่นมาพิจารณามันก็เป็นบทเรียนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับ ม, มันไม่ถูกก็กลายเป็นโทษนะอันนี้ผู้เจ้ากระตัดไปเองนะว่าเนะี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่ถึงเพ้าวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและจริงไม่ใช่เาเรื่องอดีตหรืออนาคตนะแม้กระทั่งเวลามีอะไรกระทบกับ เวลามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไม่ทางใจแล้วเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาเจนความโกรธความหงุดหงิดความวิตกกังวลความโศกไอ้พวกนี้เนี่ยแม้มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทุกทันทีนะเราจะเกิดความทุกข์ใจก็ต่อเมื่อ ไปแตะไปต้องไปคว้ามันเอามาใส่ใจของเรามันเหมือนกับเศษแก้วหรือคมมีดที่อยู่ในมือเราเนี่ยตราบใดที่มันอยู่บนฝ่ามือเราเนี่ยมันไม่เกิดอันตรายนะอันตรายจะเกิดขึ้นหรือความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปกรรมันพอกรรมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกรี๊ด นะแทงมือของเราเอารามณ์มกุศลก็เช่นเดียวกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำอะไรกับมันนะผู้นั้นคือไม่ไปคว้ามันเอามาไว้ในใจเนี่ยหรือเอามาทำลายใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถึงทีเราควรทาก็คือว่าก็แค่ดูมันนะหรือว่า ปอให้มันอยู่ตรงนั้นแหละไม่น้องไปคว้าอะไรมันหลวงพ่อชาติาเคยกล่าวนะว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมแหละไม่ใช่ว่าให้เราหนีกิเลสไม่ใช่ให้กิเลสนี้เราแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนกับน้บําแบบเหมือนกับน้ํากับใบบัวแม่อยู่ด้วยกันแต่น้ําก็ไม่ซึมเข้าใบบัวถ้าเราเปลี่ยนคําว่ากิเลส เ, เป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยอันนี้เราทําได้นะ ไม่ใช่ว่าอะไรต้องหนีมันหรือไม่ใช่มันหนีเราแต่เราอยู่กับมันยังมีสติเหมือนกับน้ํากับใบบัวเมื่อน้ํากับใบบัวอยู่ได้กันแต่ว่าน้ําก็ทําให้ใบบัวนะแปรเปืี่ยนไม่ได้เพราะน้ําไม่สามารถซึมเข้าใบบัวได้เอาล่ะมรรคผลแม่มันเกิดขึ้นจากการกระทบนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทําร้ายจิตใ จ, จเราได้ทันทีนะ ถ้าเรามีสติเนี่ยนะก็แค่เห็นมันมันก็คงอยู่ตรงนั้นแหละแต่เป็นพ่อะเราเข้าไปจับไปฉวยไปยึดมันหรือที่หลวงพ่อเขียว่าเข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันจึงเกิดความทุกข์แลามักจะเผลอนะไปจับไปฉวยอารมณ์อกุศลรวมทั้งความทรงจำที่เจ็บปวดนี้มาทำร้ายใจิตใจของเราอยู่เสมอ แต่ถ้าเรามีสติหรอความสุกตัวนะมันเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะแม้มันจะมีความคิดหรือความทรงจําบางอย่างประทับอยู่ในใจเราแต่มันไม่อาจทําร้ายเราได้นะไม่อาจทำร้ายใจิตใจเราได้ถ้ามีสติอารมณ์อกุศลแม้เกิดขึ้นในใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำร้ายใจิตใจเราได้ทันทีนะถ้าว่า เราเห็นมันหรือว่าวางระยะห่างจากมันก็เหมือนที่มีคนเปรียบว่าเรือเนี่ยมันไม่จมนะเพราะน้ำที่อยู่รอบๆเรือมันจะจมก็แต่เมื่อน้ำเข้าไปในเรือแต่ที่ความคิดและอารมณ์เนี่ยมันยังอยู่รอบอยู่รอบนอกของใจเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่า ปล่อยให้มันเข้ามาในใจเนี่ยมาทำร้ายจิตใจนั่นแหละจึงจะเกิดทุกข์และที่มันทำร้ายเข้ามาทำร้ายจิตใจได้เพราะไม่มีสติสติเหมือนกับเป็นยามที่รักษาใจให้ปลอดภัยไมใ่ให้อารมณ์กุศลเข้ามาทำร้ายจิตใจแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหรน่นี้ก็เหมือนก็ไปคว้ามันใจก็ไปคว้ามันมา ทำร้ายจิตใจตัวเองแล้วเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนเกิดความเจ็บปวดวนันนี้นอกจากเราจะกาที่เราพยายามที่จะหนีห่างความทุกข์เนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่าไปคว้าเอาทุกข์เนี่ยมาใส่ตัวหรือไปคว้าเอาสิ่งเลวร้ายมาทำร้ายจิตใจของตัวถ้าเราไม่มีสติม่มีความสุกตัวเนี่ย เราก็จะทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปไม่เพียงแต่ไปยุ่งเอาเรื่องของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวแต่ยังเอาเอาอารมณ์อกุศลต่างๆนี้มาทมาําลา้จิตใจของตนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเลี่ยงได้นะถ้าเราเรมีสติความรู้สึกตัว